บทภาชีนีนิสกิยปาจิตตีห้าร้อยสี่สิบห้าสุธรรมสันถัดที่ตนทำค้างไว้จนสำเร็จด้วยตนเองต้องอบัตินิสกิยปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทำสันถัดที่ตนทำค้างไว้จนสำเร็จต้องอบัตินิสกิยปาจิตตีพิกสุทำสันถัตที่ผู้อื่นทำค้างไว้จนสำเร็จ ต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทำสันทัดที่ผู้อื่นทำค้างไว้จนสำเร็จต้องอาบัตินิสขิยปาจิตตีทุกทุกกฎภิกษุทํทำเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต้องอาบัติทุกกฎภิกษุได้สันทัดที่ผู้อื่นทําไว้มาใช้สอยต้องอาบัติทุกก